เราก็ได้กล่าวถึงคำว่าสารณะไปแล้วคำว่าสารณะนี้แปลว่ากำจัดเนาะกำจัดอะไรกำจัดภยัยกาจัดภัยภัยมีมีอะไรบ้างภายในทุกคติเป็นต้นแล้วก็ชาติภัยชาราภัยเป็นต้นนั่นเองหรือว่ากาจัดภัยคือกิเลสกาจัดภัยคือบาปอกุศล ผู้ที่กำจัดภัยได้อย่างนี้เนี่ยเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าคือคือใครพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะพูดโดยชอบเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงพระสยามภูตัสรู้เองรู้อะไรรู้อริยสัจสี่นะแล้วก็พระธรรมพระธรรมหมายถึง พระธรรมเนี่ยเอาเอาให้เต็มเตมเลยธรรมะธรรมะที่เป็นสารณะนะแต่ธรรมะสับแปได้เยอะเอาธรรมะที่พึ่งได้อ่ะได้แก่พระปริยัติธรรมอริยมรรยผลและนิพพานธรรมะนั่นแหละเป็นสารณะเป็นที่พึ่งและสุดท้ายพระพร ะ, ะไรพระตนะตรายก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นก็คือคู่แห่งอริยบุคคล สคู่เรียงบุคคลได้8บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิผู้มีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอันะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่เป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นอย่างนี้แหละเชื่อว่าท่าสองท่สองอ่าเมื่อท่านมีคุณธรรมดีขนาดนี้เราจึงนับถือท่านว่าเป็นสารณะ สารณะก็คือลักษณะของสารณะเป็นยังไงนะทบทวนไปที่หน้าห้าหน้าหกหน้า 5, หาน้าหกใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่เป็นสารณะเพราะท่านกำจัดภัยได้เป็นสารณะเพราะพระองค์เป็นคติคตินี่แปลว่าที่ไปก็คือเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเราแล้วก็ทรงเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้าคตินี่ก็คือเป้าหมาย คตินะั้นเหมือนเป้าหมายส่วนข้างล่างก็เป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหนา้าว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวทางทางใจนะและพระองค์เป็นผู้ทำลายทุกข์ให้แก่เราทั้งหมดคําว่าทำลายทุกข์เนี่ยหมายความว่าพระองค์ช่วยทำลายเหตุแห่งความทุกข์ก็คือช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกทากรรมได้ อันนั้นเมื่อเลือกทำกรรมได้กรรมบางอย่างเป็นไตเพื่อเพื่อตัดกรรมกรรมตัดกรรมคล้ายๆกับเพศตัดเพศนะไอกรรมชนิดไหนตัดกรรมได้มรรคกรรมตัดกรรมได้นั่นแหละอันพระองค์เนี่ยทรงสอนให้เจริญมรรคกรรมเพื่อตัดกรรมแล้วพระองค์เป็นผู้จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์มีกี่อย่างประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้า ประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรียกว่าพวกประโยชน์พระองค์เนี่ยจัดแจงประโยชน์ทั้งหมดให้แก่เราและเราทั้งหลายตรัสรู้ตามตามท่านท่านตรัสรู้สิ่งใดข้าพเจ้าขอตรัสรู้สิ่งนั้นวันหนึ่งอะไรเป็นรูปประขันหูได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปประขันหูก็เป็นรูปประขันที่คาว่าขันเพราะว่า เพราะอะไรเพราะต่างด้วยอดีตอนาคตเป็นต้นหรือคำว่ารูปเพราะเสื่อมสิ้นสลายไปหูที่เป็นขันห้าหูมีรูปอยู่เท่าไหร่รูปในหูเนี่ยมีอยู่ห้าสิบสี่รูปอ่ะนะคือหูเนี่ยเป็นเป็นหูส่วนใหญ่สัสตร์ทั้งหลายเห็นหูเป็นเป็นตนใช่ไหมเพราะไม่ได้พิจารณาส่วนผู้ศึกษาพระธรรมนี้เห็นหูเป็น เป็นหูแล้วหูประกอบด้วยรูปประธรรมทั้งหมด54รูป1น่งนะโตะสตทัศกากราบ10รูปแล้วใช่ไหมต่อไปอะไรอีกาวาทะทศกากราบมันหูหญิงหูชายแตกต่างกันมากต่อไปกายะทะัศกะกราบเจ็บนะเสียงดังๆมายังเจ็บเลยเนี่ยแสดงว่ามีกายะทะัศกะกราบอ่าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออาหารนะ อาหารต้องมีอาหารนะเรียกอาหารอาหารชะกลาบแรูปอะไรอีกจิตตชรูปด้วยเนาะจิตตชรูปอีกแปรูปสุดท้ายอุตูชรูปอีก8รูปรวมทั้งหมด5้บสรูปตัวหูเนี่ยนะตัวหูจริงๆได้แก่โสตประสาทอันเดียวแต่มีรูปที่เป็นบริวารอยู่ตรงนั้นเนี่ยห้บสี่รูปเสียงเสียงมีกี่รูป เสียงมีสัพท์ท่านนวาก่ากลาบนวะแปลว่าก้าวศัพท์แปลว่าเสียงกลาบแปลว่ากลุ่มกล่มเสียงนี่มีรูปอยู่เก้าเก้ารูปนะเสียงที่ดังๆเนี่ยนะถ้าลักษณะที่ดังกระทบหูเป็นสัพท์แต่ในตัวเสียงเองเนี่ยมีสีอยู่ด้วยไหมมีไห ม, มในเสียงเนี่ยนะมีสีอยู่ด้วยไหมมี อ้าวเพราะว่ามีรูปตั้งเก้ารูปอ่ะใช่ไหเพราะในนั้นเนี่ยแต่ว่าสีนี่ต้องเห็นทางตานะแต่ว่าในตัวเสียงที่กระทบในนั้นมีสีอยู่ด้วยมีกลิ่นด้วยไหมมีมีกลิ่นอยู่ด้วยมีรสไหมมีใครไปชิมอ่ะยเนาะมีนะมีโอชาด้วยนะมีโพตาภะด้วยนะมีปัทวีเตโชวาโยด้วยในนั้นอ่ะ พัในตัวเสียงจริงๆเน่ยมีรูปอยู่เก้ารูป เ, เสียงโอ้โหมีห้าสิบสี่รูปเสียงมีเก้ารูปเสียงเหล่านี้เนี่ยเป็นทั้งอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน ท, ทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกหยาบประณีตเ <11. S 1> จนพรานชายสิบเอ็ดกลมเก่งมากเลยน ะ, ะนั่นแหละ เมื่อทั้งสิเอรูปเนี่ยเป็นทุกขศาสตร์นะทําไมจึงเป็นทุกขศาตร์เพราะหูกับเสียงนี่เป็นชาติปีทุกขาอ่านะถ้าเอาเอาตามสูตรอริยสัจมาจับเลยนะชาติปีทุกขาหูเนี่ยความเกิดของหูเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วก็จะยินดีในทุกข์สั้งส่วนใหญ่เลยมองไม่เห็นว่าการเกิดขึ้นของหูเนี่ยเป็นเป็นทุกข์นั่นแหละ หูเนี่ยมีชาติทุกอ่ะนะทั้งหมดเลยที่เราจะต้องมาได้ยินเสียงที่ไม่ควรจะได้ยินเนี่ยเพราะมีมีหูแล้วในหูเนี่ยยังมีโสตะโรโคมมีโรคหูเข้ามาด้วยใช่หมแล้วตัวเสียงเองเนี่ยทุกไหมล่ะเสียงบางคำเนี่ยอยากจะแทรกแผ่นดินนี้เลยนะเช่นเสียงที่ดูถูกเหยียดหยามใช่ไมที่จริงเสียงสูงสูงต่ำต่ำมมีอิทธิพลต่อจิตอย่างมากมายมหาศาลเลย เสียงบางคนเนี่ยโหมีความหวังมากเสียงอีกบางคนเนี่ยโหไปผูกคอตายก็เสียงคำเดียวนั่นแหละมันเสียงนั้นมีอิทธิพลสูงมากต่อสภาพจิตมันตัวเสียงเองก็มีชาติพิทุกขาชาราพิทุกขาหูนี่ชาลาไหชาราพิทุกขังมรณะพิทุกขังหูแตกดับไหมแตกดับอาศัยหูทำให้เกิดร้องไห้ได้ไหมได้อาศัยหูทำให้เกิดโศกะร้องไห้ได้โศกปริเทวค่ำควร อาศัยหูทําให้เกิดทุกขากายทุกกายได้ไหมอันหูเนี่ยมีทุกข์ด้วยและก็อาศัยหูทําให้เกิดโทมนัสเคยเสียใจเพราะหูไหมนั่นแหละคือมันเคยอนะแต่ว่ามันชินชาซะและ้วนั่นแหละแล้วก็ทําให้เพราะอาศัยหูนี่แหละทําให้ต้องพลดัดพลากจากของรักเพราะบางอย่างนะคนที่เราเกี่ยวข้องบางอย่างเป็นสมบัติทางหูเอาถ้าเราแบ่งมนุษย์แล้วนะในโลกเนี้่นะ บางอย่างเป็นสมบัติทางตานะถ้าไม่มีจักรคูภาษาธานะใครจะงามขนาดไหนในโลกนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยเพชรจะราคาสิบล้านก็ช่างมันเยอะคลำดูแล้วเท่ามีค่าถ้าก้อนหินก้อนเดียวนั่นแหละอ๋อนะบางอย่างเป็นสมบัติทางหูเครื่องเสียงเนี่ยเอามาตั้งอย่างนี้นะไม่มีเสียงนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเล ย, ยนั่นแหละนั่นสมบัติทางหูอันนี้บางอย่างเป็นสมบัติทางจมูกบางอย่างเป็นสมบัติทางลิ้น เหมือนแอปเปิลพลาสติกอย่างเงี้ยใจะเอามาทาอะไรนะนั่นแหละแต่ว่าเราต้องการสมบัติทางลิ้นบางอย่างเป็นสมบัติทางกายจับต้องได้เหมือนที่นอนอย่างเงี้ยเอาภาพที่นอนมาติดข้างกำฝาแล้วเรานอนไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะบางอย่างเป็นสมบัติทา ง, ทางใจสี่สามารถรู้ได้ทางใจนั่นแหละอันถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้และแยกขวาวรได้เราจะรู้ว่า ถ้าไม่มีประสาทสัมผัสบางส่วนสิ่งนั้นเราจะไม่ต้องการเลยนั่นแหละอนน่านะท่านถ้าเราลิ้นเป็นลิ้นจระเข้ไปแล้วนะไม่ต้องใส่น้ําตาลมาถวายก็ได้ <c oughs> เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการรับรู้รสหวานนะเพราะบางอย่างสารอาหารมันก็เกินอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการรสทํามากกว่าเพราะบางอย่างเป็นสมบัติทางลิ้นดงนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทําให้เกิดการพลาดพลากจาก ถ้าเราหมายมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นจากไปเราก็ต้องเสียใจใช่ไหมถ้าเรารังเกียจสิ่งใดแล้วไปมีสิ่งนั้นน่ะทุกไหมทุกคําบางคําไม่อยากได้ยินเลยพอดีได้ยินคํานั้นพอดีเลยนะเสียงด่านี่ใครต้องการบ้างนั่นแหละเขายังไม่ทันด่าเลยแค่เกือบด่านี่้ก็ทุกแล้วนะะเพรา ะ, ะทําให้ต้องพลาดพลาดจากของรักทําให้ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักใช่ไหมถ้าก็คนคนเดียวกันนั่นแหละถ้าเขาพูด ดีโอยิ้มกับคนคนเดียวกันนั่นลองด่าดูดิทุกข์แล้วคนนี้งนั้นสามารถที่จะกลับไปได้เพราะองค์จริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขอริยสัตว์นะไม่เฉพาะหูกับเสียงใช่ไหมโสตวิญญาณจิตได้ยินเสียงก็เป็นทุกขสัตว์ด้วยเป็นทุกขอริยสัตว์ด้วยทีนี้เมื่อกล่าวโดยชอบทุกขะสัตว์กิจของเขาคือ<ม>กิจของเขาก็คือปริญญาสามนะ ใช้กำว่ากําหนดรู้เนี่ยเอาแตะแตะเสียงเออดังเออแค่เสียงแค่เสียงไม่ใช่นะถ้าเป็นปริญญานีต้องรู้เสียงตัวเสียงจริงๆเนี่ยมีรูปเท่าไหร่ต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดเสียงมีเท่าไหร่อ่าอย่างเสียงมีปัจจัยเท่าไหร่มีสองอย่างคือตัวเสียงจริงๆเนี่ยเกิดจากจิตกับเกิดจากอุตุมีการเป็นปัจจัยไหมไม่มีแน่นะ ไม่งั้นอรรมากับผู้การพูดไม่ต่างกันมีกรรมเป็นปัจจัยนะทำให้เสียงแตกต่างกันไม่งั้นทุกคนพูดเสียงดังเหมือนกันหมดเลยนะฉะนั้นมีกรรมเป็นปัจจัยด้วยเป็นปัจจัยโดยไรประตูปานิสยปัจจัย เ, เพราะฉะนั้นพอพูดถึงรูปนะเราไม่บอกว่ารูปมีปัจจัยอะไรบ้างแต่เราจะเรียกเป็นสมุทฐาน แต่พอบอกว่ารูปมีปัจจัยอะไรบางนี่มันมันอีกเรื่องแล้วมันกว้างมันแสดงว่าข้อความต่างๆในอภิธรรมวัฏสงหานั้นเขาว่าไว้อย่างเรียกว่าถ้าเราไม่ไม่สังเกตก็ไม่เห็นเจรอเขาบอกว่าเสียงนี่นะครับมีมีอย่างอื่นเป็นปัจจัยนอกจากอุตุนอกจากจิตจิตนี่นะฮะมันอย่างอื่นมันมีปัจจัยอีกใช่ไหมก็ไม่เรียกไม่เรียกเป็นสมุทฐานแล้วเจนพรใช้คําว่าปัจจัยแทนเรียกปัจจัยใช่ เพราะว่าคือถ้าเราเรียนเฉพาะในอภิธรมรมตสังขหารนั้นเป็นการกล่าวแบบตรงๆไวไปเลยแต่ถ้าเป็นพระสูตรเนี่ยจะอ้อมอย่างเช่นยกตัวอย่างจักแก้วหรือจกัจกจับแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเป็ น, ปนอุตุชรู ป, ม, รร ม, ปมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นปัจจัยนะมีบุญของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นปัจจัยอ่ะใช่ไมอย่างช้างแก้วเหาะได้เนี่ยช้างเหาะได้เนี่ย ไอช้ามก็มาด้วยกรรมของช้างนั่นแหละแต่ถือว่ามาบีบุญของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นปัจจัยมันสามารถเกี่ยวข้องกันนะถ้าหากศึกษาพระสูตรปุ๊บจะกกว้างถ้าเฉ พ, อพ่ออภิธรรมเนี่ย โ, โหมันคืออภิธรรมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ได้ค้นอภิธรรมปีดกเอาเฉพาะอภิธรรมมัตสังกะหะซึ่งเป็นที่เรียกว่าเอาแต่หัวเชื่อม า, อาวิธีละลายจืดจางไปยังไงแล้วก็ศึกษาค่อนข้างน้อยมันก็ขอให้ให้ทําใจเป็นนักศึกษา ว่าเราพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆถ้าสิ่งใดไม่ขัดแย้งกับคําสอนเราก็เรียนไปเรื่อยๆคือพระพิธรรมเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบจากวิชาทาั้งโลกเขาเรียกว่าถ้าทางวิทยาเขาเรียกก่าเพียวสายครับเพียวสายอันเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของไม่มีศัสต ร, ร์ไม่มูบคคลเข้ามาที่บายเลยไม่มีบัญญัติมาทธิบายเลยแต่พอเป็นพระสูตรเนี่ยมันคล้ายๆมันเป็นแอพพลายเป็นแอพพลายสายแล้วเป็นเรื่องเทคนิกละนะครับ ถ้าหากว่าเป็นพระพิธรรมเนี่ยจะพูดสมมุติว่าจะพูดเหตุสมุดฐานของรูปก็กรรมจิตอุตุอาหารชใช่ไหมครับแต่ว่าพอในชีวิตจริงเนี่ยมันมีอย่างอื่นเข้ามาเยอะอใช่ไหมครับเกี่ยวข้องมากมายว่คล้ายๆอย่างนั้ น, นะครับแต่ว่าเราก็ควรรู้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าเรารู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าเราเพ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งสุดโต่งไปนี่นะครับผมว่าบางทีอาจจะผิดพลาดก็ได้ถ้าสุดโต่งนะเรากล่าวตู่คำสอน คือเพราะอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้พระองค์ก็ตรัสไว้อย่างที่ที่กล่าวเรื่องเวทนาใช่ไหมพระอุทายีกับพระนายช่างไม้ปันจังฆะมันนั่งถกกันพระอุทายีบอกว่าเวทนามีสามช่างไม้บอกเวทนามีสองเทียงกันอยู่ตั้งสามครั้งอ่ะมีสองบอกมีสามอันเนี่ยแล้วก็ถกกันอย่างนี้พระองค์แสดงว่าเวทนาสองพระองค์ก็กล่าวไว้ เวทนาสามพระองค์ก็กล่าวไว้เวทนาหพระองค์ก็กล่าวไว้เวทนา6ก็กล่าวไว้เวทนา18ดก็กล่าวไว้เวทนาสามสหก็กล่าวไว้เวทนาร้อยแปดก็ก็กล่าวไว้จะเอากี่อย่างอะ่ะทั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาหลายๆมุมนะเราก็จะกล่าวอย่างนี้อันนี้สงของการยืนยันแง่เดียวก็คือได้อันนี้ส ง, งก็คือใช้ปากคือหอกทิ่มแทงซึ่งกันและกันอะล่ะปากนี่มันเจ็บกว่าหอกเลยนะ ทิมก็ไปทิ้งโอ้โหหูแทบทะลุเลยแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ศึกษาหลายๆมุมแล้วก็ภาพปริยัติธรรมเป็นธรรมังสรารนังขาชามิของเราผมยกตัวอย่างเช่น <c oughs> ถ้าหากว่าในในพระพิธรรมนะฮะถ้าพูดถึงว่ารูปก็มีมหาพูทธรูปสี่จะมาขจนามหาพูทรูปสี่หรืออย่างดีก็เลยเป็นอวิอวินิโพครูปอีกแปดใช่ไหมครับเาถาดดินทำนั้นถาดไฟถาดลมสีเสียงกีนราโอชาเนี่ยใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าสมมติถ้าเราจะสุดโต่งไปทางพระพิธรรมอย่างเดียวนี้นะครับเราก็จะพิจารณาว่าทำทั้งหลายไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลมันมีแต่สีมีแต่กลิ่นมีแต่รสมีเย็นร้อนนนแข็ง อ, อย่างนี้ไม่พอครับแต่พอเรามดูในพระสูตรเนี่ยในมหาสีปัฐานสูตรเนี่ยนะท่านบอกพิจารณารูปอะไรบ้างครับท่านยกตัวอย่างเลยครับตั้งขนข น, ขนเล็บฟันหนังปอดตับไตพุงอะไรทั้งหมดได้เลยถามว่ารู้อย่างนี้เนี่ยเป็นรู้บัญญัติใช่ไหมไม่ใช่รู้ปรมัจา์ใช่ไหมไม่ใช่ครับ สิ่งเหล่านี้ต้องนําพาเราไปสู่รู้ปรมาทุด้วยเชปรมตทุก็รู้ไปสู่บัญญัติด้วยเชพแล้วถ้าทั้งสองอย่างนี้นะั้นนำไปสู่ให้ทําให้เราหมดหมดกโมหะได้นะฮะทำให้เราไม่มีโมหะได้นะพ ร, พระพุทธเจ้าบอกว่าใช้ได้ทั้งนั้นนั้นคําสอนนั้นจะใช้เป็นสมมุติสัจจะหรือปรมัตทสัจจะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างก็ถูกทั้งสองอย่างแต่ในขณะเดียวกันนั้นจะต้องรู้เรื่องนั้นในโลกทั้งสองจริงๆ เหมือนกับถ้าจะใช้คาว่าพระพิธรรมเลยนะเพียวๆเลยเนี่ยอภิธรรมภาษาอภิธรรมพูดได้ที่ไหนจิตอย่างเงี้ยจิตเป็นบัญญัติหรือเป็นประมัดเป็นบัญญัติหรือเป็นประมัด ค, คำว่าจิตเป็นบัญญัติสภาพที่รู้อารมณ์เท่านั้นแหละแม้แต่คำว่าสภาพยังเป็นบัญญัติเลยไอ้สภาพยังไงอ่ะจะใช้คำยังไงมันพูดไม่ได้อะใช่ไหม แต่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตดแม้แต่สีสีเนี่ยมันหยาบนะภาษาอื่นเขาอาจจะไม่เรียกสีเหมือนเราก็ได้ภาษาบาลีเรียกวัวนวนะนั่นะเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าอะไรคือบัญญัติและปรามัตดและพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ทั้งสองในกล่าวไว้ทั้งสองในในไห น, นที่จะทําให้ในตัวแรกแปลว่านัยยะไหนที่จะทําให้เข้าใจคําสอนได้หรือเข้าใจชีวิตได้ เช่นพระองค์ก็กล่าวคําสอนที่จะทําให้มองเห็นชีวิตมากขึ้นก็คือเรื่องอาการสาบสองเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระองค์กล่าวไว้ค่อนข้างมากนะอาการสาสิบสองหรือกายยคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วอบรมแล้วเป็นผู้ที่ยังลงสู่อมะตะอย่างเงี้ยอาการสามสิบสองนั้นอะ่ะก็หนึ่งในกายยคตาสติกายยคตาสติมีหลายในนั้นอาการสาสิบสองก็หนึ่งในกายยคตาสติด้วยเพราะฉะนั้น การแสดงการกล่าวกายคตาสติ ม, มากๆก็เพื่อให้รู้เรื่องรูปรูปประขันเพื่อให้เข้าใจในเรื่องรูปปรมาตร์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เปรียบนะครับที่เราได้เรียนทั้งพระพิธรรมดยพระสูตรด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์มานี่นำพระสูตรมาให้เราเข้าใจเยอะเลยนะฮะประโยชน์อย่างสมมุติว่าถ้าเราจะพิจารณาสติปัฏฐานนี่นะครับถ้าเรามุ่งพระพิธรรมนะครับเราก็จะพิจารณาว่า มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็เราอาจจะเอสมูทฐานของเขาก็อาจจะมีกรรมจิตอุตูอาหารอะไรประมาณอย่างเงี้เนี่ยนะครับหรือว่าถ้ทจเลยไปอีกก็ก็ไม่มากนักแต่พอเรามาพิจารณาถึงรูปในพระสูตรบ้างนะครับเช่นเช่นหนังแข็งหนังอย่างเงี้นะครับเช่นหนังอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยหนังเนี่ยเราเอาพระพิธรรมอธิบายได้เยอะเลยมีโรคกี่รูปหนังมีเยอะเลยนะหนังมีโรคกี่รูปอ่ะนะ หนึ่งกายธาตุสกอาก า, กาบมีกายแล้วนะเพราะว่ามันมีเจ็บนี่ที่ใดมีเจ็บที่นั่นมีมีกายยะภาษาทะรูปต่อไปภาวะก็คืออิทธิภาวะกับปุริสภาวะแตกต่างกันอะไรอีกอ่ะ น, นะเขาบอกว่าบางทีมีเสียงด้วยนะสัทธามีเสียงเข้ามาด้วยอีกเสียงหนึ่งซึ่งต่อไปถ้าชีวิตเนี่ยขอให้รู้ว่าอยู่ในกายแล้ว อยู่ในภาวะแล้วเพราะกรรมมาชรูปต้องมีชีวิตแน่นอนอ า, าอาหารอาหารอวินิโพครูป8จิตตะอวินิโพครูป8อุตูอวินิโพครูป8บวกกับเสียงอีก1เป็น45้ารูปนะในผิวหนังเนี่ยมีรูปประมัดอยู่โดเท่าไหร่้ารูปถ้าถ้ามันมีเสียงนะถ้าไม่มีเสียงก็ตัดเสียงออกไป แต่ว tota ่าในบางส่วนเนี่ยมันมีเสียงได้แล้วปัจจัยอะไรบ้างครับปัจจัยของผิวหนังถ้าหากว่ากายกับภาวะมีกรรมเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยหรือมีกรรมเป็นสมุทฐานถ้าหากว่าจิตตชรุปมีจิตเป็นปัจจัยหรือเป็นสมุทฐานและก็อุตุชรูปก็มีอุตุเป็นสมุทฐานแล้วสุดท้ายก็คืออาหารชรูปก็มีอาหารเป็นสมุทฐาน นิถามว่ากายตัวนี้เนี่ยผิวหนังอันนี้เป็นสัตจะไหมเป็นเป็นทุกข์สัตว์เมื่อทุกข์สัตว์ปั๊บปริญญาสมการพูดตัวผิวหนังแล้วก็ที่เป็นโรูประทับแล้วพร้อมทั้งปัจจัยอย่างนี้เรียกว่ายาตะปริญญาการพิจารณาหนังโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นฝ่ายอื่นเป็นของว่างจากความเที่ยงเป็นต้นก็เป็นตีรณปริญญา การพิจารณาอย่างนี้มากๆเป็นตีรณปริญญาแต่ก่อนที่จะมีตีรณปริญญาต้องเข้าใจในรายละเอียดของผิวหนังเป็นอย่างดีนั่นแหละนั้นทําให้เรามองเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้สิ่งนี้นะบางสูตรพรงบอกถ้าพระองค์ไม่รู้กายไม่รู้โพธพะะไม่รู้กายะวิญญาณไม่รู้กายะสัมผัสไม่รู้กายะสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ ทั้งอัาทะของกายอาทีนวะของกายทั้งนิสระณะของกายพระ อ, องค์ไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางสูตรว่าไว้ขนาดนั้นเลยพอเรามาอ่านพระสูตรแล้วบอกท่านบอกว่าดูก่อนละถ้าเมื่อรูปมีมานจึงมีความตายจึงมีผู้ทำให้ตายจึงมีนี่แหละพอเรามาอ่านไปพระสูตรนิ้ปันเนี่ยนะเราบอกเลยเนี่ยเรื่องรูปเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ เช่นผิวหนังเรานี่นะครับเราก็พิจารณาได้ได้ได้ได้ตรงเลยตั้งทีนี้ความรู้ของเรานีจะค่อนข้างกว้างแล้วก็สามารถที่จะทีนี้อยู่ที่การเพ่งและปฏิสังขารณพลังพหูสุดตังพหูสูตรมีปฏิสังขารณปฏิสังขารแปลว่าการพิจารณาดันั้นเป็นกําลังของพหูสูตรดังั้นถ้าหากว่าไม่มีการพิจารณาเลย คนนั้นเรผ่านหูเฉยๆไม่ใช่ว่าผังหูสุดแต่ได้ยินผ่านหูเหมือนกันแว บ, บๆแต่ะนะ